ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพปะ่โพธยาณกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจกขณะสมาธิิคือปัญญาเน้นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจพิจารณาเจาะจงเฉพาะเรื่องนั้นๆจนเกิดความรู้เห็นที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงแล้วได้รับประโยชน์จากความรู้เห็นตรงนั้นก็ได้พูดมาถึงการพิจารเรื่องปฏิสีติ 4, ที่ทรงวางไว้เป็นสามช่วงช่วงหนึ่งก็คือขณะรับช่วงหนึ่งก็คือขณะบริโภคใช้สอยช่วงหนึ่งก็คือหลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้ว เพื่อเน้นย้ำให้เข้าถึงสาระสะของการมีพวกปัจจัยสี่ในฐานะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตไม่ใช่เป็นตัวชีวิตเพื่อให้บุคคลไม่ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยสี่มากเกินไปอย่างที่เราเห็นว่าในยุคสมัยใดก็ตามที่โลกสังคมให้ความสำคัญแก่ปัจจัยสี่ จนมีการปรุงแต่งประดับประดาประกวดประขันกันมันจะเกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างใหญ่ลวงและเกิดการเสียดุลทางธรรมชาติอย่างที่เราพบเห็นกันในยุคสมัยปัจจุบันเมื่อเรามองศึกษาไปก็จะพบว่า มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการบัญญัติบัญญัติาดการควบคุมเพื่อแข่งขันความมั่งมีความร่ำรวยกันคุณค่าในด้านจิตใจของบุคคลก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเรามองประเทศของเราถึงค่านนิยมที่กำหนดคุณค่าของคนดี ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปก็อย่างน้อยที่สุดก็มาถึงสามยุคยุคแรกก็คือยุคต้นๆยุคสุขโขไทยเป็นการกำหนดค่าของคนอยู่ที่คุณธรรมความดีของคนและผลงานของคนเหล่านั้นเราจึงเรียกว่าสุขอุทยัยแปล ว, ว่าดินแดนที่ความสุขอุทัยขึ้น คนอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมประชามหากษัตริย์เองก็อยู่ในฐานะเป็นพ่อเมืองเป็นพ่อขุนของแผ่นดินมีความใกล้ชิดกับอาณาประชารัชดรรัชดรเองก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมีจุดนัดพบ ก, กันมีจุดกลางทางความคิดทางการประสานประโยชน์กันอยู่ที่ธรรมะ เราจึงเรียกยุคนั้นว่าเป็นยุคของผู้ดีมีศีลธรรมในการต่อมาพอเรารับประทาต่างแดนกันมามากๆความเชื่อในแหล่งหนึ่งมันอาจจะใช้สมับคนซึ่งมีภูมิหลังอย่างหนึ่งได้แต่พานำไปใช้อีกแหล่งหนึ่งอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้ อย่างกณีอกของความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นโอรสของสวรรค์จากประเทศจีนความเชื่อแนวกษัตริย์เป็นอวตารจากพระผู้เป็นเจ้าของปรอาอของอินเดียก็มามีอิทธิพลในสังคมไทยก็ได้ครอบงำความคิดของสังคมเราในยุคอายุทยาอยู่ถึง4ี่ร้ยสิบเจ็ดปี แล้วกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์เป็นยุคผู้ดีมีสกุลกําหนิดความเป็นผู้ดีกันที่ชาติกําเนิดชาติสกุลก็มีการดิ้นรนพยายามเพื่อจะได้สถานะจากสังคมในด้านนั้นแล้วก็มีกระจายกลุ่มผู้ดีออกไปจนเป็นแปดสาแหลกว่ากันตามความันจริงคนในแต่ละสะกุลมันก็มีดีไม่ดีเป็นป ก, กติธรรมดา แต่พอเกณฑ์กำหนดทางสังคมว่าถ้าเกิดมาในสกุลสูงแล้วก็เป็นผู้ดีเนี่ยทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปกลายเป็นผู้ดีเสม็ดรูปที่ไม่ต้องมีการศึกษาไม่มีตองไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการพัฒนาอะไรไม่ใช่มีปัญหาทุกคนแ้วว่ามีปัญหาในบางคน ดังนั้นเราจึงพบถึงการความขัดแย้งต่างๆยุคสมัยยุธยาจนเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ใหญ่ๆถึงห้าครั้งถึงถึงห้าราชวงศ์แล้วก็เปลี่ยนแผ่นดินโดยวิธีรุนแรงรวมแล้วก็ถึงเจ็ดครั้งด้วยกันก็มีการทำลายล้างกันในกลุ่มผู้ดีมีสกุล ซึ่งในจุดนี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นผู้ดีมีศีลธรรมแอย่างเดียวสถานะต่างๆจนบรรปลายออกมาเป็นกรุงแตกถึงสองครั้งก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มนุษย์นั้นเป็นสัตว์โลกที่มีกิเลสการได้สถานะในลักษณะนั้นก็ตอบสนองกิเลสของเขาเองแล้วเขาก็จะไดประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากสถานะตรงนั้นอีกเป็นอันมาก ว่อนๆเป็นผู้ดีมีสกุลก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆก็เรียกได้ว่ามาถึงยุคประมาณแปดสิบกว่าความเป็นผู้ดีมีสกุลก็มีอิทธิพลครอบงำสังคมแล้วก็มีการสืบสายสกุลปวกคุณน้มคุนนางตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็เกาะกันมาตลอดสายผ่านเวลาเป็นศตวรรษ ลูกหลานเล่ลือก็เป็นผู้ดีกันมาเป็นเจ้าคุนบุญนายกันมาการเรียนตำหรับตำนาวิชาการต่างๆมันมีประโยคหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือพระภัยมณีตอนท้าสุทัศน์ส่งพระโอรสคือพระภัยมณีกับสีสุวรรณไปศึกษาศิละปะวิทยา ก็ตีราคาข้าวิชาไว้สูงมากก็เรียกว่าราคาเป็นแสนซึ่งในสมัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่เตทผมก็คือไม่ต้องการให้ไพร่ใดวิชาก็แสดงว่ามันเกิดรังเกียจดังงอนกันแล้วพยายามกีดกันสกัดกั้นคนซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้ดีให้เป็นไพร่ยอยู่ตลอดไป พอได้พิจารณาความรู้เขาก็เปลี่ยนแปลงตาน่าเขาได้ด้วยใจความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการต่อมาพอถึงถึงสงครามโลกครั้งที่สองมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ดีมีเงินเวลานี้ก็ยังอยู่ในยุค ข, ของผู้ดีมีเงินจึงหมายความว่าคนเหล่านั้นเธอจะเป็นอะไรมาถามาหากินเรื่องอะไรมาอาจจะค้ายาบ้ า, า จ, จะค้าของเถลือนอา จ, จะค้าฟินเนโรอินมาฟินแล ะ, ะอะไรต่างๆ ข้าวุธิสงครามแต่ว่ามีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นเขาก็ได้สถานะจากสังคมเป็นผู้ดีมีเงินเมื่อเขาได้สถานะทางเศรษฐกิจก็ได้สถานะจากสังคมได้สถานะทางการเมืองจนเอิ้นก็มีตําแหน่งในการบริหารราชการเป็นดินวงวานว่านเครือวงสาคณิก็กลายเป็นพวกกลุ่มผู้ดีมีเงินไป แต่ในขณะเดีวยวกันก็มีอำนาจต่างการเมืองตามมาทำให้คนเป็นมากเข้าไปขอบคุม่มก็กลายเป็นบริษัทบริวารของคนเหล่านั้นก็กลายเป็นบริวารยศแล้วก็มีการโปรโมตมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปก้าฟิกก็คล้ายๆกับการปลูกเสกพระเครื่องรางของขลังนั่นเองคนเหล่านั้นก็ดีเด่นดังขึ้นมา ตามที่มีการปลุกเสกของยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ก็มีคราวที่จะดักหนามากยิ่งขึ้นที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเขาได้อาหารแล้วเขาเติบโตได้เร็วแล้วก็มักจะเห็นร่วมกันของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น นั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาเจาะจงเรื่องเรื่องเรื่องล่านั้นไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพยายามที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้อยู่ในกลุ่มของคนที่มีศีลธรรมเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมือนร่มใหญ่ที่ป้องกันคนผู้กั้นร่มให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตก เราจะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ประสบความเสื่อมหรือแม้แต่จะเกิดความเสื่อมขึ้นมาก็ตั้งหลักได้ก็อยู่ได้ไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปทุกข์ทรมานจนถึงก็ฆ่าทำลายตัวเองอย่างที่เป็นข่าวคราวกันอยู่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของปัจจัยสี่เนี่ยถ้าเราพิจารณาได้ พอมาถึงจุดหนึ่งจะพิจารณาระดับที่เราเรียกว่ากรรมฐานเป็นการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาคือมองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของอาหารเดี๋ยวรับประทานเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ให้ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา ประตามปกติแล้วความคิดเห็นของสามัญชนภาษาทางศาสนาท่านเรียกว่าวิปลาสคือไม่ไม่ตรงต่อความจริงที่แท้จริงของสิ่งเ่อนั้นพยายามที่จะต่อต้านขัดขืนไม่ยอมรับความจริงเท่าที่เขาเป็นทำให้การครองชีวิตมีปัญหา อย่างที่ทรงจะแน่แสดงวิปลาสเอาไว้สี่ประการคือหนึ่งสุภาพวิปลาสเป็นการมองสิ่งซึ่งไม่มีอะไรสวยงามว่าเป็นของสวยงามแต่เมื่อเราม า, มาศึกษาที่ร่างกายเนี่ยร่างกายนั้นประกอบด้วยเจริญเติบโตมาด้วยอาหารแต่ความเป็นอาหารที่มาหล่อเลี้ยงร่างกาย มันเป็นสิ่งปฏิกูลสกปลกด้วยประการต่างๆก็มีการปรุงแต่งแต่งรูปแต่งสีแต่งปิน่นแต่งรถให้อยู่ในวิสัยที่รับประทานก็ไปได้ทีนี้พอรับประทานเข้าไปนี้อยู่ในช่วงใดก็ตามมันแสดงความปฏิกูลน่ากเกลียดให้เห็น เพราะร่างกายเราอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินที่รวมยินดีของกันแร้กันเนี่ยอต่ที่จริงมันเกิดมาจากของสกปรกเมื่อเกิดเป็นจากของส ก, กปร ก, ก, ป ก, ก, ก, ปกร่างกายจะสะอาดร่างกายจะสวยงามงจริงๆนี่เป็นไปไม่ได้ร่างกายท่านก็เรียกว่าโกอาญาคือแหลง่งหรือที่ประชุมหรือที่อาศัยของสิ่งปฏิกูลทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสต่างๆ โดยสันฐานโดยที่เกิดโดยที่อยู่อย่างน้อยก็บรรเทาความกห น, น, น, นัดในกายตนลงไปได้เมื่อลดความกำหนัดในกายตนลงไปก็จะตนปลือกกายตัวเองนีน้อยลงแล้วกลายเป็นการประหยัดแล้วก็จะไขอยคว้าปรารถนาเพื่อครอบครอง กายคนอื่นในแง่มุมของความสวยงามเนีย่ยลดน้อยลงการยื้แย่งการต่อสู้เพื่อครอบครองสาวงามก็จะลดดามลงไปเราเห็นว่าแต่และเรื่องที่จริงเป็นปัญ า, า ร, ระดับโลกทั้งนั้นเนี่ยเราเคยมีศึกสงครามเรื่องแรกแย่งผู้หญิงกันมราคดีของไทยหลายเรื่องที่เป็นสงครามแย่งผู้หญิงหรือว่าแย่งผู้ชายกัน อย่างเรื่องพระภัยมณีเนี่ยมันก็แย่งผู้ชายกันรื่องคุนชางคุณแผนก็แย่งผู้หญิงกันเรื่องอีเหนาก็แย่งผู้หญิงกันเป็นต้นหรือว่าแม้แต่เรื่องรำเกียนนะก็แย่งผู้หญิงกันนั้นก็แสดงว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากจิตที่กำหนดด้วยความกาหนัดในสิ่งที่มีความปฏิกูลแล้วก็เกิดขึ้นดํารงอยู่โดย สิ่งปฏิกูลเป็นตัวหล่อเลี้ยงด้วยกันทั้งนั้นแต่นั้นก็กลายเป็นกระบวนการที่สืบไปเรื่อยๆมันแก้ได้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองทั้งการทหารแต่ว่าเราพูดในระดับที่ทำยังไงว่าไม่ตกเป็นทาสของตัญหาในเรื่องของปัจจจยสีมากเกินไป มีการแสวงหามีการถือครองครอบครองมีการบริโภคใช้สอยโดยมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือในการสวสอบพินิพิจารณาที่ทรงใช้คำรวมๆว่าไม่บริโภคด้วยตัณหาแต่มองไปที่ความสาเร็รโยชน์มันจะเป็นลดตัวโลภะลดตัวโมหะแล้วก็จะไปลดที่ราคะ พอศึกษาไปศึกษามาลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันจะเอารายการเนี่ยถือสาความอะไรการจากการนี้เป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถ้าเราไปก็เท่านั้นเองในสุดมันก็สักแต่ว่าธาตุแล้วก็เราแต่ละคนเนี่ยมันก็รว่นเกิดมาจากปจัจจัยสี่ แล้วก็เป็นกลุ่มของธาตุกระดินน้ำลงไฟอากาศก็ทำให้ความ่ายขวัญปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ลดลงไปได้โดยลำดับโทสะก็ลดลงไปโมหะก็ลดลงไปราคากลละก็ลดลงไปโลภะก็ลดลงไปใจอย่างน้อยก็เป็นอิสระไม่ถูกคร่อบงำด้วยกิเลสเหล่านั้น จนถึงก็ผิดศีลผิดธรรมเอาขนาดนี้ก็มีบุญโขแล้วนะเราคิดได้เราทำได้เราปฏิบัติได้ขนาดนี้ก็มีบุญมากแล้วในการพิจารณาในแนวของปัจจเวกขณะที่จริงมันไปลึกมากนะฮะไปเรื่อยไปจนถึงปัจจเวกขณะยาน เป็นในระดับสมาธิเนี่ยเขาเรียกวณสีเป็นจั จ, จเวคขณะวณสีที่มีความจำนีชํานาในการพิจารณาสภาพจิตของตัวเองในขณะที่จะเริญสมาธิดูตัวของสมาธิดูอารมณ์ของสมาธิตลอดทั้งความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นพิจารณาก็รู้เท่าทัน แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นการพิจารณาระดับสูงแล้วก็เรื่อยไปจนถึงโน้นอน า, นารยสัตว์สี่หายไปแล้วแม้แต่ระดับญาณเนี่ยก็มีปัจจเวกขณาญาณญาณเตนเป็นเครื่องมือพิจารณาถึงความรู้ที่ผุดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้จริงหรือเปล่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือเปล่า ผลของความรู้นั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไปในจิตหรือเปล่าต้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าตัวนี้ก็คือตัวปัญญาที่จะต้องนำพาจิตใจของคนไปเรื่อยๆจนถึงมีความสมบูรณ์ด้วยปัญญาก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธคุณ คือใจเรานั้นสัมผัสพระพุทธคุณพระพุทธคุณก็มาอยู่ที่ใจเป็นใจที่มีปัญญาจะที่มีปัญญาก็บริสุทธิ์จากอวิชชาจากโมหะจากโลภะจากราคะจากโทสะระดับต่างๆจนถึงกับบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราเดินเส้นทางสายเนี้ย่ยจริงมันเดินไปได้เรื่อยๆหลยนะีก็นํานไปสู่มรรคผลนิพพานได้ มันมีพระเทราพระเทรีเป็นอันมากที่บรรลุมั่นผลโยการพิจารณาอาหารพิจารณาพวกปจัยีต่างๆเนี่ที่ตัวเองบริโภคใช้สอยอยู่บางครั้งกิจใจท่านไปเกี่ยวเกาะอยู่ที่เครื่องนุ่งห่มในสมัยเป็นคารวะเรียงอย่างเดียวนะะเอาเสบยำแย่ไปไล้เที่ยวบวชเที่ยวสึกอยู่ เป็นห่วงเป็นใหญ่เสียดายอุปกรณ์ในการครองชีวิตสมัยเป็นคาราวานเมื่อจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านมองเห็นโทษท่านอุปรกรณ์เหล่านั้นโดนทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุกผมมัดรวมกันแล้วก็หมุนตัวอยู่ดิ่มแม่น้ำแล้วก็ปลาลงไปแล้วก็หลับตาอยู่ตลอดระยะเวลา จนแน่ใจว่ารอยกระทบของสิ่งที่ท่านโยนลงไปกับน้ำนั้นได้หายไปแล้วหรือว่าท่านไม่รู้มันตกอยู่ที่ไหนแล้วจึงลืมตาขึ้นมาเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและในที่สุดจากนั้นไปท่านก็บรรลุ บรรลุผลของการปฏิบัติเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานกันไปแต่ไม่ใช่ถึงกับบรรุผลเป็นพระหันนะเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธญาติยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชื่อกุณฑานับัณฑิตปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเราอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นปนัญหาทาวรเป็นปนัญหาที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ปัจจัยสก็เรื่องอุปโภคบริโภคเราเห็นว่าถ้าเราดูดีๆมันก็เป็นเครื่องอุปโภคอยู่สองอย่างเป็นบริโภคอยู่สองอย่างอุปโภคก็คือเครื่องมือห่มกับที่อยู่อาศัยบริโภคก็คืออาหารกับยาแก้ไข่ก็สรุปว่าเราก็มีปัญหาอยู่เรื่องนี้และปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ย มันเกิดขึ้นจากความอยากมากเกินไปที่ท่านพูดถึงคนรวยไว้คนคนจนไว้สองประเภทนะจนเพราะอยากจนคือขาดแคลนอันตคัดฝึดเคืองเดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นจนเพราะอยากจนมันไม่รู้สึกเต็มเต็มไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพออยู่อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่า ตัวเองจนอยู่ตลอดก็ตามให้มีการแสวงหาเพื่อได้มาเพื่อถือครองครอบครองสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยรำไปแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยถ้าคนเราไม่ได้แก้ที่จิตไม่รู้จักบัญญะปัญญงังไม่รู้จักควบคุมความคิดรือยความโลภครอบงำเนี่ย ตอบสนองยังไงก็ไม่มีคำว่าเต็มควาว่าอิ่มคำว่าพอคำว่าหยุดการแสวงหาจะได้ท่านกล่าวไว้เนอวทันธําว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจะคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอแต่นั้นโครงสร้างของความเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา คล้ายๆกับเป็นสร้างคณะบุคคลขึ้นมาให้เป็นกรณีศึกษาว่าในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยคนเราถ้าหากว่าเป็นอนาคาดริศคือไม่มีครอบครัวเนี่ยมันจะบรรทาวบรรทอนความอยากต่างๆลงไปได้ระดับนแต่ว่าคนที่มีครอบครัวก็แน่นอนอ่ะมันก็ต้องมีปัจจัย ในการเลี้ยงดูตนเองเลี้ดูครอบครัวให้มีสุขแต่ว่าถ้าไปถูกครอบงำด้วยความโลภมากโลภจัดแล้วก็สร้างปัญหาในการนี้แย่งการต่อสู้การเบียดเปลี่ยนปราบประหารกันฟันดันดึงตีกรอบเอาไว้ระดับสมรชีพเคยเลี้ยงชีพในทางที่สุจริต ในการสแสวงหาในการได้มาในการถือครองในการบริโภคใช้สอยเนี่ยอย่าให้เกิดปัญหาทุกขั้นตอนเหล่านั้นก็ไม่ถึงกับให้พิจารณาตัวปัจจัยสี่แต่ว่าพิจารณาเป็นภาพรวมๆทีนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปจนพิจารณาปัจจัยสี่ตัวในย่าดังกล่าวเนี่ยอาการของกิเลสก็จะลดน้อยถอยลงไปกว่าเดิม ความสุขความสงบก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมต้องฟังทั้งหลายใต้รมระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก็ ง, งามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี